أ عوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شر ل أ ن ف س ن ا ومن سيات عمالنا ما يهده الله فلا مضللة وما ي د ل ل ه فلا ال هذي ا ل ع م ب ف إ ن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث ح دي د ي محمد وشر الأمور محرساتها وأن كل محرسات البدع وكل بدات ضلاله อัมาบะสลามุอะลัยกุมวะลัยฮุหมุลลาวะบระกาตุครับผมกลับมาพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในช่วงของคอสอัตบซีรอธิบายอัลกุรอานในยุสอัมะก็คือยุส30ในคัมภีรอัลกุรอานคำพูดของพระเจ้าพี่น้องที่รักยิ่งครับผมเรายังคงคุยกันในส่วนของสุระอัลบาลัดอัลบาลดหลังจากที่กล่าวอุบิลห์มัยตนรรจมบิสมิลลฮิราะห์มานุรหม แล้วฟ้าล้ม ا ل ลล่าและว่ ا ل ีด้วยใน ح ระเทศและ ل ันท ا ل พรมใน ل ระาลูกและว่าลูก่าลูก i ละาะูก อายัดเดียวนะครับซึ่งก็หวังว่าวินชาวล้อเราจะได้ประโยชน์กันทั้งผู้ที่พูดแล้วก็ผู้ที่ฟังครับินชาวล้อครับผมแล้วก็เช่น เ, เดิมนะครับผมหากว่ามีคําถามมีอะไรก็สามารถทิ้งคําถามไว้ได้แล้วก็เดี๋ยวจะมาพูดคุยทักทายกันินชาวล้อครับผมพี่น้องทีนะ่รักความเดิมตอนที่ผ่า น, ผ, านผ่านมาครับภายหลังจากที่พระองค์ล้อผู้ทรงสงูสงส่งด้วยทรงสาบานต่อเมืองที่พระ อ, องค์รักมากที่สุดเมืองหนึง่งบนโลกเห็นอ่าใบนี้แล้วก็ด้วยกับบ้านของพระ อ, องค์ที่ถือว่าเป็นบ้านหลังแรกเลยนะั่นก็คือที่ มะกาบาหลังแรก็คือกาบาหลังจากพวกเราได้สาบานปู๊พวกเลาก็ได้บอกถึงการให้สิทธิพิเศษกับท่านอับดุลโมสลองหรือสลัมที่ว่าท่านนั้นสามารถทําอะไรก็ได้ในนั้นในช่วงและเวลาหนึ่งที่อัลลอฮ์ทรงกําหนดแล้วพวกเราก็ได้สาบานด้วยกับผู้ให้กําเนิดแล้วก็ผู้ที่ถูกกําเนิดมนุษย์นั้นถูกสร้างมาเพื่อที่จะมีชีวิตที่ยากลําบากในขณะเดีวยวกันเขาก็ช่างเย่อหยิง่งยโสในการที่ชอบอวดอ้างคนอื่นในการที่จะ ได้ให้คนอื่นเห็นว่าเขานั้นได้เผาผลาญทรัพยากรไปมากเพียงใดซึ่งอย่างที่พวกเราได้พูดคุยกันไว้แล้วก็เตือนพี่น้องที่รักทุกท่านไว้ครับว่าสําหรับมุสลิมแล้วการที่เราใช้จ่ายทรัพยากรมากๆเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่ว่าเป็นเรื่องที่น่า ย, ยินดีที่ว่าน่าเอามาอวดอ้างกันคือมุสลิมเรามุมมองของเราที่มีต่อโลกนั้นไม่เหมือนกับมุมมองของผู้ที่ไม่ใช่มุสลิม ทูพูที่ไม่ใช่มัสซิมเขาอาจจะมองว่ามันเป็นสิ่งที่ดีและเกินดูสิเนี่ยฉันอยู่คนเดียวเนี่ยฉันสั่งอาหารมาจานเบอ์เริ่มเนี่ยฉันเลือกกินแค่ที่ฉันอยากกินที่เหลือฉันก็ทิ้งฉันไม่ได้อดฉันไม่ได้อยากฉันอยากกินอะไรเมื่อไหร่ก็กินได้อยากไปเที่ยวที่ไหนก็ไปได้อยากทําอะไรก็ทําได้อยากพังอะไรก็พังได้นั่นคือสําหรับผู้ที่ไม่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์แต่สำหรับมุสลิมเราครับ ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทํานั้นจะเป็นเรื่องที่เราต้องตระหนักแล้วก็ต้องตรวจสอบตัวเองอยู่เป็นประจำเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทำจะถูกสอบสวนจากผู้ล้อแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยหมายความว่าทุกบาททุกสตางที่ใช้ไปนั่นแหละคือสิ่งที่เราจะต้องถูกสอบสวนอย่างละเอียดและนั่นเป็นสาเหตุที่ท่านนบีมุสลิมบอกว่าคนที่มีฐานะมั่งมีนั้นจะได้เข้าสวรรค์หลังจากคนที่มีฐานะยากจนเพราะว่าเขามีเรื่องที่ว่าให้ถูกสอบสอบสวน มากกว่าคนที่ยากจนนั่นเองครับเพราะฉะนั้นการที่ได้เาผาผลาญทรัพย์สมบัติไปมากนั้นไม่ใช่สิ่งที่เราจะเอามาอวดอ้างแต่เป็นสิ่งที่เราต้องขอไปโทษเป็นประจำว่าอย่าล้อสิ่งที่ฉันบริโภคไปสิ่งที่ฉันใช้ใจ่ายไปสิ่งที่ฉันได้เาผาผลาญมันไปเนี่ยขอพองษ์อย่าได้เอาผิดฉันแล้วก็ขอให้มันเป็นสิ่งที่จะส่งผลดีให้กับฉันทั้งในดุนยากับอาคิรอร์นี่คือสิ่งที่มุสลิมเราต้องระวังเวลาทานอาหารเสร็จ เราไม่ไปอวดว่ากินอะไรบ้างแต่เราจะบอกว่าไงครับอัลฮัมดุลิลลาฮิลลัดีอัตามานีฮะดะวาระซักนีฮิมินไกร์ฮาวลินมินีเวลากูอะมวนการสรรเสริญเป็นขอร้อนนะพูดที่ว่าไฮริสกีนี้แก่ฉันมันเราไม่มีความสามารถอะไรที่จะสร้างกําลันขึ้นมาเองได้นอกจากด้วยความไม่ตาขอร้อนเท่านั้นก็เป็นความหมายโดยสรุปเวลาเราสวมใส่เสื้อผ้าก็อัลฮัมดีลลาดิกาซานียขอบุณลเราที่เราได้มีการสวมใส่เสื้อผ้านะ เวลาจะขึ้นภานะก็ซุบฮ า, านะลิซักคร์รอลาฮ์แต่ซาดีแด่อัลลอฮ์ผู้ที่ทําให้เรานั้นได้มีพานะในการโดยสารเวลาไปเที่ยวก็อัลฮัมดุลิลละมาชาอุลลอฮ์จะเพาะว่ามุสลิมนั้นหัวใจเราต้องผูกพันอยู่กับพ่อหลวงตลอดเวลาเพราะเรากลัวว่าสิ่งที่เราทําไปนั้นจะทําให้พ่อหลวงไม่พอใจหรือเปล่าสังเกตดูครับขณะตอนที่พวกเราละหมาดเสร็จพอละหมาดเสร็จปุ๊บอัสลามุอะลัยกุมัตุลลอ อัสลามุลอยกุมรับตุลลอห์เราเพิ่งทําอิบาร์ด้เสร็จแต่แบบอย่างที่ท่านอบีมุสลรอยสลามสอนให้มุสลิมทําคืออะไรครับเมื่อเรามาเสร็จสลามเสร็จขออภัยโทษจา ก, ก, ก, กอัลลอฮ์อัสซัคฟุลลอห์อัสซัคฟุลลอห์อัสซัคฟุลลอห์อวะละฉันขออภัยต่อพระองค์เพราะฉันไม่รู้ว่าตอนที่ฉันทําอิบาร์ด้าเนี่ยที่ฉันต้องทําเพื่ออัลลอฮ์เนี่ยใจฉันวอกแวกไปแค่ไหนฉันทําอะไรบกพร่องไปบ้างฉันทําอะไรรวดเร็วเกินไปไหมหรือว่ามีอะไรที่ทําให้อัลลอฮ์ไม่พอใจฉันไหม เพราะนั้นเราจะสังเกตเราก็จะพบว่าสําหรับมุสลิมเราครับในทุกอิริยาบถของเราในการดำเนินชีวิตของเรานั่นคือสิ่งที่เราจะต้องระวางังเพราะเรามั่นใจว่ามันจะถูกสอบสวนก่อนที่จะไปถึงขั้นตอนการถูกสอบสวนมาเลยก์กะคอยบันทึกอยู่ในที่นี้ครับผู้เล่าก็ได้กล่าวครับ พูดถึงบาราคุณลักษณะของผู้ที่ไปเสสัทธาเขาบอกว่าไงครับอายาสบูอัลลัมยรหูอาหัตถ้าเกิดที่เราพูดคุยกันอาทิตย์ก่อนใช่ไหมครับสคุณลักษณะที่ตรงกันข้ามกันของคนที่ชอบโอ้อวดประการแรกเนี่ยเขาจะอยากโอ้อวดสิ่งที่เขาพราวที่เขาภูมิใจให้คนอื่นเห็นแต่ในขณะเดียวกันเขาก็มีพฤติกรรมลับๆที่เขาไม่อยากให้คนอื่นเห็นเป็นสองอายารวมกันที่แสดงถึงคุณลักษณะที่มันตรงกันข้ามกันอันแรกคืออะไรนะครับ ยาคู ah al ่รู้อาเล็กตูมาและรูบายแดดเขาจะกล่าวว่าฉันเนี่ยได้ใช้จ่ายเพอผ่านทรัพย์สมบัติไปอย่างมากมายมหาศาลเหลือเกินอายะซาบุอ ah ัลล ah ัมยะระหูอาหัดเขาคิดหรือว่าไม่มีใครเห็นเขาคือเขาคิดหรือว่าเขาจะเลือกนําเสนอแค่เรื่องด้านดีๆได้เท่านั้นพอเล่ากล่าวคําว่าทําไมเขาคิดว่าไม่มีใครเห็นเขาล่ะอัลัมนาจอัลละหูไอไนไม่ใช่หรือที่ว่าเราเป็นผู้ที่สร้างตา มาให้เขาสองข้างหมายควาว่าเขาเป็นเพียงสิ่งที่ถูกสร้างเขาเป็นเพียงมรคลูกที่ถูกสร้างขึ้นมาพอเราได้สร้างเขาขึ้นมาให้เขามีความสามารถที่จะมองเห็นแล้วเขาคิดว่าผู้ที่สร้างเขามาจะไม่เห็นเขาเลยขัาดสิ่งถูกสร้างยังมีคนลักษณะการมองเห็นถึงแม้จะมีข้อบกพร่องอาจจะมองเห็นไม่ไกลหรือว่ามองเห็นใกล้เกินไปไม่ได้หรือว่าตาเสียตาเฉียงหรือว่าตาตาเขตาอะไรก็ตามแต่ หรือว่าตาบอดสีหรือว่าตามองแบบแมลงอะไรก็ตามแต่เมื่อพระลอผู้สร้างสามารถสร้างให้สิ่งถูกสร้างทั้งหลายนั้นสามารถมีการมองเห็นที่แตกต่างกันได้แล้วผู้สร้างนั้นจะไม่มองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างกลานั้นหรืออัลเมนะจอัลลอฮฺไอในเราไม่ได้ทําให้เขามีตาสองข้างกันนั้นหรือพี่น้องที่รักยิ่งครับคําพูดของสลับปรายยุคโบราณมีคําพูดประโยคนึงที่เขาบอกว่า จงทำความเข้าใจตัวของคุณแล้วคุณจะเข้าใจผู้สร้างมากขึ้นจงทาความเข้าใจตัวของคุณแล้วคุณจะเข้าใจผู้สร้างมากขึ้นสุภนอโรครับเพราะอะไรครับถ้าเกิดเรามาดูในร่างกายของเราเราจะพบว่ามันคือความปราณีตมันคือความละเอียดอ่อนที่ไม่มีทางเป็นความบังเอิญ คือมันเป็นเรื่องน่าแปลกที่มีกลุ่มคนที่เชื่อว่าร่างกายที่ละเอียดสมบูรณ์ขนาดเนี่ยเกิดมาด้วยความบังเอิญเกิดมาจากทฤษฎีวัฒนาการหรือว่ามาจากลิงสุบาร์น้องๆพี่น้องดูนิ้วมือพี่น้องดูระบบประสาทพี่น้องดูระบบขับถ่ายพี่น้องดูระบบผิวหนังพี่น้องดูเส้นขนของเราพี่น้องดูการมองเห็นดูการได้ยินดูการลิ้มชิมรสของเราดูจมูกทั้งหมดมันเกิดจากความบังเอิญอย่างนั้นเหรอมันเป็นไปได้จริงๆหรือเปล่า เพราะนั้นสหรับมุส穆ิมเราครับยิ่งเรามาศึกษาตัวของเรามากเท่าไหร่ก็ตามเรายิ่งจะรู้จักพระเจ้ามากยิ่งขึ้นเราจะยิ่งรู้ว่าผู้ละล้อทำไม่ได้ทําอะไรอย่างไร้สาระแล้วการกระทําของผู้ละล้อนั้นเป็นการงานที่ปรานีตยิ่งไปกว่าสิ่งที่อยู่ในร่างกายของเราเดี๋ยวเราจะคุยกันในเรื่องของการมองเห็นว่ามันเป็นฟิตนะมันเป็นบททดสอบมันเป็นความเมตตามันเป็นอะไรยังไงแค่ไหนอะินชาอัลลอฮ์ถ้ามีโอกาสเดี๋ยวเรามาคุยกัน แต่ตอนนี้ครับที่อยากจะให้พี่น้องได้ไต่ตองดูครับถ้าหากว่าเราตรวจสอบตัวเองดีๆนะครับถ้าเกิดเรารู้แล้วว่ามนุษย์อ่อนแอทาไมเราขี้เกียจทําไมเวลาเราหิวเราก็ไม่อยากจะทําอะไรทําไมเดี๋ยวเราก็โมโหง่าย <c oughs> เดี๋ยวเราก็โกรธเดี๋ยวเราก็ไม่สบาย <c oughs> เดี๋ยวอย่างงั้นเดี๋ยวอย่างนี้เวลาจะละหมาดก็ขี้เกียจอย่างงั้นข like, ี้เกียจอย่างนี้จะทําอิบะดาก็มีข้ออ้างสารพัด ถ้าเรารู้ว่าเราเป็นคนที่อ่อนแอแค่ไหนเราก็จะยิ่งรู้ถึงความเข้มแข็งของพโพลล์ความยิ่งใหญ่ของโพลล์ที่สร้างทุกสรรพสิ่งแล้วก็ดูแลทุกสรรพสิ่งด้วยพระองค์เองบางทีเราคนเดียวอามาน่าเรามีแม่มากครับเราดูแลคนแม่มากเรารับผิดชอบคู่คลองซะรับผิดชอบลูกๆซะบางทีก็เหนื่อยแล้วเหนื่อยอีกบางทีก็บน่นบางทีก็ด่าบางทีก็ว่าบางทีก็ไม่พอใจ แต่เมื่อเรารู้ถึงความอ่อนแอของเราว่าเนี่ยแค่นี้เราก็ไม่ไหวแล้วเหมือนจะไม่ไหวแล้วแล้วผู้อาล้อแหล่ะผู้ที่สร้างทุสประสิ่งผู้ที่รู้แม้แต่ว่าใบไม้ใบไหนที่มันกําลังร่วงลงมาผู้ที่รู้แม้แต่ว่ามีเมล็ดพันธุ์ใดที่ว่ามันกําลังจะงอกเจริญเติบโตขึ้นมาจากในดินนี่คือความยิ่งใหญ่ความเข้มแข็งความกินกาของล้อแล้วก็เช่นเดียวกันครับถ้าเกิดเรารู้ว่าเราเนี่ยนู่แค่ไหน พี่น้องครับจะไม่มีใครรู้ว่าตัวเองโง่นอกจากว่าเขานั้นจะเริ่มมีความรู้บ้างแล้วคนโง่อย่างแท้จริงจะรู้ตัวเองโง่ครับพี่น้องลองสังเกตดูตอนที่เราเด็กๆตอนที่เราอยู่ชั้นอนุบาลเราอาจจะเรียนตัวเลขเราก็คิดว่าโลกทั้งหมดมันก็น่าจะมีแค่นั้นแต่พอขึ้นประถมปุ๊บมีบวกมีลบมีคูณมีหารถ้าเราเข้าใจเราก็อาจจะคิดว่าเรารู้หมดแล้ว แต่เมื่อไหร่ที่เราจะเริ่มรู้ว่าเราไม่รู้อะไรครับเมื่อเราเรียนสูงขึ้นเมื่อเรามีความรู้มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นจนเราจะเริ่มรู้ว่าสิ่งที่เรารู้มันเป็นแค่เศษเสี้ยวหนึ่งของวิชาคณิตศาสตร์ที่เรารู้มันเป็นแค่เศษเสี้ยวหนึ่งของวิทยาศาสตร์ที่เรารู้เป็นแค่เศษเสี้ยวหนึ่งของวิชาอะไรก็ตามแต่ที่ว่ามันมีความรู้ที่ว่ามหาศาลยิ่งถ้าเกิดเรารู้ว่าตัวเองเราโง่แค่ไหนเรายิ่งจะรู้เลยว่าพวกเราล้อนั้น เป็นผู้ที่รอบรู้มากเพียงใดเพราะว่าองค์เป็นผู้ที่สร้างศาสตร์ทั้งหมดนั้นมาความรู้ทั้งหมดนั้นมาจากพระอลค์หรแล้วมนุษย์ก็มาจัดหมวดเอาเองจัดหมวดว่าเกี่ยวกับตัวเลขและเป็นคณิตศาสตร์นะจัดหมวดว่าเกี่ยวกับอย่างนี้แลนะเป็นวิทยาศาสตร์อันนี้เป็นเกี่ยวกับการแพทย์อันนี้เป็นเกี่ยวกับวิศวะอันนี้จัดหมวดเรามาจัดหมวดเอาเองแต่ยิ่งเราเรียนรู้แล้วเราตระหนักถึงความไม่รู้ของเรามากเท่าไหร่เรายิ่งจะรู้ถึงความรอบรู้ของเลาหร อนาคตเราก็ไม่รู้บางทีอะไรอยู่ในแก้วที่มีคนมาเสิร์ฟให้เราเราก็ยังไม่รู้เลยบางทีคู่สามีภรรยาอยู่ด้วยกันอย่างเงี้ยบางทีฝ่ายหนึ่งเอาอะไรมาเสิร์ฟเรายังไม่รู้แล้วเขาเสิร์ฟอะไร็ต้องดูก่อนบางทีดูก็ไม่รู้เอ๊ะมันอะไรก็ไม่รู้ต้องมาชิมก่อนมนุษย์เราเราไม่ได้รู้เหมือนกับที่เราคิดว่าตัวเองเรารู้เพราะนั้นที่สลับบอกว่าไงนะครับจง รู้จักจงเรียนรู้ตัวของเจ้าให้ดีแล้วเจ้าจะรู้จักพระเจ้ามากขึ้นเช่นเดียวกันครับถ้าเกิดว่าเรารู้ถึงความผิดบาปที่เราทําพี่น้องมีบาปกันไหมครับไม่รู้ว่าอาจจะมีบางท่านที่บอกว่าฉันไม่มีเลยนะเพียงแต่ ว, ว่าตัวผมนมีแล้วผมก็มั่นใจว่าหลายๆท่านก็ยอมรับว่าตัวเราเนะี่ยมีบาปมากมายที่เราทํายิ่งเราคิดสุภานลยิ่งเราตระหนักได้นะพี่น้องว่าบาปที่เราทํามันใหญ่ขนาดไหนเนะี่ย เราจะยิ่งตระหนักได้ถึงความเมตตาของอัลลอฮ์ที่พระองค์นั้นไม่รีบลงโทษเราก่อนจริงๆคนทําไม่ดีเหมือนลูกเราเวลาทําไม่ดีบางทีเราโกรธเราอยากตีบางทีตีไปแล้วบางทีคนในครอบครัวเราขู่ครองเราสามีภรรยาทำสิ่งที่ไม่ดีเราก็ลงมือลงไม้แต่ว่ามีไม่มีในสังคมมุสลิมมีแต่เมื่อเรามองกลับกันว่าแล้วตัวเราเองล่ะที่ความผิดเรามีสารพัดที่เราทําสิ่งที่ไม่ดี แต่พระล้อยังไม่ลงโทษเรายิ่งเรารู้ว่าเราทำบาปแค่ไหนเราจะยิ่งรู้ถึงความเมตตาของอรยิ่งเรารู้ถึงความบกพร่องในหน้าที่ของเราแค่ไหนเวลาละหมาดบางทีก็ละหมาดมีสมาธิบ้างไม่มีสมาธิบ้างบางทีละหมาดในเวลาบางทีก็เลยเวลาไปแล้ว บางทีอีบาร์นั้นก็บกพร่องอีบาร์นั้นดีก็บกพ้องถ้าเราเรียนรู้ถึงความบกพ้องในหน้าที่ของเราเนี่ยเราจะยิ่งตระหนักถึงความใจกว้างของผู้อาลลอฮ์ที่ว่าคนที่มีความบกพ้องอย่างเราเนี่ยถ้าทําตนให้ผู้อาลลอฮ์รักผู้อาลลอฮ์พร้อมจะย ก, กโทษในบาป ท, ทั้งหมดนี่คือความใจกว้างทั้งๆที่ท่านนบีมุสลิมส์ลามบอกว่าไม่มีใครมีความหึงหวงมากไปกว่าอาลลอฮ์อีกแล้วไม่มีใครอีกแล้วมีความหึงหวงมากไปกว่าผู้อาลลอฮ์ เพราะพวกล้อเป็นผู้ให้ริสกีกับมนุษย์แล้วเขาก็ฝ่าฝาืนพระองค์พวกเรามีสิ่งที่พระองค์ไม่ชอบแต่มนุษย์ก็ทําแต่ในขณะเดีวยกวกันพระองค์ก็พร้อมให้โอกาสพร้อมให้อภัยพร้อมรับการเตาบ้ากับเนื้อกับตัวของเราเพราะฉะนั้นครับยิ่งเราเรียนรู้จักตัวของเรามากเท่าไหร่เรายิ่งรู้จักพระเจ้าของเรามากยิง่งขึ้นั่นคือความมี่ใหญ่ของล้อครับผมครับพี่น้องนะครับถ้ารู้มานะครับมินบุรีติดตามฟังอยู่ก็อัลฮัมดุลิลลาฮ์ครับผมก็ ช่วงนี้รู้สึกเจอกันบ่อยนะครับประทําดีแล้วคุณพุริพัทน์อดัมครับสลามครับปทุมธานีชัดเจนวายลิกุมสแลมวรมรุล้อว่าบาราะกตูุแล้วก็คุณวันนีนะครับกับม่หยีก็อัศร์วายลิกุมก็วายลิกุมสแลมรับตุล้อว่าบราะกตูุก็เป็นพี่น้องที่เริ่มจะคุ้นหน้าคุ้นตากันแล้วนะครับผมถึงไม่ได้รู้จักเป็นการส่วนตัวแต่ก็อับดแล้วขอพวงละให้ริสกีบารกความจำเนื้แล้วก็ความเมตตาของวงให้กับพวกเราทุกคนนะครับผมเน ก็ขอมีบรารักามีความเมตตามากยิ่งขึ้นนะครับผมครับพี่น้องที่รักยิ่งครับตอนเนี้ยเรามาดูถึงประเียนอาย่านี้อีกทีหนึง่งอาลัมนา จ, จันละหูอไหนเราไม่ได้ทำให้เขามีตาสองข้างกระ น, นั้นหรือสุหานาล้อครับพี่น้องบางคนอาจจะเคยสงสัยบางคนอาจจะมีคำถามว่าทำไมคนเราต้องมีตาสองข้างคือถ้าเราดูสิ่งมีชีวิตหลายๆอย่าง ก็มีความแตกต่างกันไปใช่ไหมครับตาอาจจะอยู่ข้างบ้างอาจจะอยู่ข้างหน้าบ้างอาจจะอยู่ข้างเดียวกันบ้างมีสองข้างเลยแต่ว่าในธรรมชาติสิ่งมีชีวิตส่วนใหญ่ที่เราคุ้นเคยกันจะมีตาสองข้างซึ่งสิ่งมีชีวิตแต่ละอย่างนั้นการมีตาสองข้างถามว่ามองเห็นเหมือนกันไหมไม่เหมือนครับมแมลงบางอย่างอาจจะเห็นภาพเป็นภาพ เ, เป็นจอหลายๆจอซ้อนๆกันอย่างพกพึ่งอย่างไรประมาณนั้น หรือว่าอย่างแมงปอนี่เราดูเห็นไหมครับตาใหญ่เลยถือว่าเป็นลักล่าการเวหาเลยหรือว่าเป็นนกอินทรีที่ว่าสายตากว้างไกลมีสิ่งมีชีวิตเป็นจํานวนไม่น้อยครับที่ว่าสายตานั้นมองเห็นเป็นภาพขาวดํามีสิ่งมีชีวิตไม่กี่อย่างที่ว่าเห็นภาพของโลกดุนยาเนี่ยสวยเหมือนกับที่เราเห็นพี่น้องที่รักยิ่งครับโลกที่เราเห็นทั้งหมดที่อยู่รอบข้างเราเนี่ยสิ่งมีชีวิตหลายอย่างไม่ได้เห็นเป็นภาพสีนะ เหมือนกับว่าคนที่ตาบอดสีคือคนที่มีเกิดความบกพร่องในเรื่องของการรับรู้ในเรื่องของดวงตาคือไม่สามารถสังเกตออกมาตีภาพตีความไปที่สมองให้เป็นสีสันได้นี่คือความยิ่งใหญ่ความไม่ตาของอัปลอแล้วก็ทำไมถึงต้องมีสองข้างครับถ้าเกิดผมมีโอกาสได้สอบถามอาจารย์หมอท่านหนึ่งนะครับผ ม, มเกี่ยวกับดวงตาโดยเฉพาะนะครับผมท่านก็ได้ให้ความรู้มาแล้วครับว่า ดวงตาของคนเราเนี่ยถ้าสังเกตดูเมื่อไหร่ก็ตามที่เราหลับตาข้างหนึ่งถ้าเราหลับตาข้างหนึ่งลืมตาข้างเดียวสิ่งที่เราเห็นเราจะเห็นแค่2มิติเราอาจจะเข้าใจว่าสามิติแต่จริงๆแล้วเราเห็นภาพแค่2มิติการที่เราลืมตาสองข้างนั่นแหละครับการที่มีตาสองข้างเราจึงเห็นภาพทั้งหลายนั้นเป็นมิติเป็น3มิติเหมือนกับมือถือ ปัจจุบันที่แบบว่ารุ่นใหม่ๆดีๆหน่อยใช่ั้มครับเพราะว่าต้องมีเลนที่ใช้ในการวัดความลึกของวัตถุสุบานวะแล้วก็ดวงตาที่บล็อกสร้างให้กับเรามา์เนี่ยที่มีสองข้างเนี่ยในเรื่องของการโฟกัสนี่คือเร็วแบบว่าไม่มีเลนมือถือเลนโทรศัพท์เลนกล้องถ่ายรูปคู่ใดที่ว่าเร็วเหมือนกับสายตาของมนุษย์เรามีเซลล์มากมายมหาศาลในดวงตาดวงน้อยๆนี้ของเรา สุภ า, ารังล้อครับถ้าเกิดว่าพี่น้องมีโอกาสนะครับอาจจะลองไปค้นคว้าหาข้อมูลเพิมเ่มเติมเกี่ยวกับดวงตาของเราซึ่งเราจะพบว่าดวงตาที่เหมือนไม่มีอะไรเนี่ยองค์ประกอบมากมายเหลือเกินพี่น้องอาจจะเคยดิ้นเรื่องของการผ่าตัดตาเปลี่ยนตาหรือว่าบริจาคตาให้กันและกันการบริจาคตาที่หมอสามารถเปลี่ยนให้จากกันและกันเนี่ยแค่ได้แค่เฉพาะแก้วตานะครับ ไม่ใช่ท้งลูกตานะถ้าเกิดลูกตาหลุดไปปุ๊บไม่มีใครสามารถเอาลูกตาของคนอื่นมาใส่เพื่อให้เรามองเห็นได้ถ้าเรามานั่งพูดถึงเรื่องการมองเห็นของมนุษย์เนี่ยครับเราจะพบว่าสุบฮานาลอครับมันเป็นเรื่องที่เกินจากคําว่าบังเอิญมันเป็นไปนไม่ได้ที่ว่าความบังเอิญมันจะทําให้อะไรมันมาได้ถึงขนาดนี้เฉียวกันนั้นหรือทีนี้ครับขอแก้วความเข้าใจนิด น, นึงเมื่อพูดถึงเรื่องตาสองข้างเนี่ย บางท่านอาจจะคิดถึงดัชเชอร์เชอร์ที่ว่ามีตาข้างเดียวบางท่านจะเข้าใจว่าตาราชาชอ์เนี่ยเป็นตาลูกโตๆอยู่ตรงกลางอันนั้นคือไซขอบนะครับยักษ์ไซขอบในตำนานอันนั้นไม่ใช่ดัชเชอร์ดัชเชอร์เป็นคนธรรมดาเนี่แหละครับเป็นคนธรรมดามีตาสองข้างแต่ว่าข้างหนึ่งมันเละแล้วก็อีกข้างหนึ่งมันเขีก็คือรูปร่างก็เป็นมนุษย์ธรรมดาครับผมซึ่งก็ถ้ามีโอกาสก็คงได้พูดกันเกี่ยวกับเรื่องของดัชเชอร์นะครับผมบนลอฮุจาละอาลำนะครับผม นในความเมตตาของพวงล้อครับเมื่อพวงล้อให้ดวงตามาก่อนที่เราจะดูว่าดวงตาส่งผลอะไรบ้างสําหรับมุสลิมในภาคปฏิบัติในการดำเนินชีวิตของเราเรามาดูความเมตตาของพวงล้อครา่าวๆอีกครับผมในดวงตาของเราเนี่ยถ้าพี่น้องสังเกตดูครับพวงล้อให้อะไรมาด้วยครับให้เปลือกตาเรามาด้วยให้เรามีความสามารถที่จะกระพริบตาเพื่อให้ความชุ่มชื้นสําหรับดวงตา แล้วก็ให้เราสามารถที่จะนอนหลับอย่างสงบพี่น้องสังเกตไหมล่ะครับว่างูเนี่ยไม่มีเปลือกตานะเวลานอนต้องหลับแบบลืมตาคือพี่น้องลองจินตนาการชีวิตที่ไม่สามารถหลับตาได้จะอยู่ยังไงนี่คือผมยังจินตนาการไม่ออกคือมันก็คงไปได้ชีวิตมันก็คงไปได้แต่เมื่อเรามาดูความยิ่งใหญ่ของโลกแค่ในตาของเราเนี่ยดวงตาซึ่งมีองค์ประกอบอะไรมากมายก็ไม่รู้ละเหมือนกับที่ขึ้นหน้าจอให้ตอนเนี่ยเรามี ติดตาอีกแล้วเราก็มีน้ําตาแล้วเราก็มีขนตาสุบานคับล้อนี้เราพูดถึงแค่ระบบการมองเห็นซึ่งมองเห็นมันก็เชื่อมไปถึงระบบประสาท ไ, ไปถึงระบบสมองรวมทั้งอะไร ต, ต่างอีกมากมายครับอลรามนาจารย์ละหูไอหน่ยเราไม่ได้ทําให้เขานั้นมีดวงตาสองข้างกันนั้นหรือพี่น้องที่รักยิ่งครับเรามาดูมุสลิมกับดวงตาในการดําเนินชีวิตของเรากันบ้าง พี่น้องที่รักยิ่งครับดวงตาของมุสลิมเนี่ยเป็นหนึ่งในอวัยวะที่ถูกใช้ในการทำอิบาดะมากที่สุดเป็นหนึ่งในอวัยวะที่เราเอาไปใช้ในการทำอิบาดะมากที่สุดแล้วก็ในการดำเนินชีวิตมากที่สุดตื่นมาปุ๊บก็ต้องลืมตาแล้วก็ลืมตายาวไปนั่นแหละจนกว่าจะถึงตอนค่ำที่ว่าจะได้หลับตายาวๆอีกทีหนึง่งบางท่านอาจจะได้นอนตอนบ่ายอาัลฮัมดีล แต่ถ้าเราสังเกตดูก็คือดวงตาเนี่ยถูกใช้งานค่อนข้างจะหนักอาจจะถูกใช้งานในเรื่องงานที่เราทำในเรื่องการศึกษาที่เราเรียนในเรื่องของการเที่ยวที่เราจะไปเที่ยวแต่ถ้าพี่น้องสังเกตดูความสุขความสนุกความเปรมปีของมนุษย์เราเนี่ยหลักๆแล้วผ่านสายตาจะกินอาหารก็ต้องเห็นก่อนการจัดวางที่สวยงามก็วู้สวยจังแล้วค่อยดมแล้วค่อยกิน เวลาไปเที่ยวก็ดวงตาเนเพราะตามองเห็นก็เลยอยากไปเที่ยวถ้าคนตามองไม่เห็นน่ยไปเที่ยวที่ไหนเขาก็ไม่ได้รับรู้อะไรมากก็จะรับรู้ถึงอากาศที่มันพัดมา ก, ก็แค่นั้นเช่นเดียวกับการทํางานเช่นเดียวกับการศึกษาซึ่งเราจะพบว่าดวงตานี่เป็นประเด็นหลักเลยนะประเด็นหลักในการดำเนินชีวิตแล้วประเด็นหลักในการทําอิบาราชเช่นอะไรครับมุสลิมเราเริ่มต้นของชีวิตแต่ละวันเราก็ต้องเริ่มต้นด้วยการเริ่มต้นเรื่องเกี่ยวกับการละหมาด ละหมาดลืมตาหรือหลับตาครับลืมตาเวลาละหมาดเนี่ยต้องลืมตานะห้ามหลับตาแบบนักบวชหรือว่าแบบศาสนากริชศาสนาอื่นเนี่ยถือว่าไม่ถูกต้องต้องลืมตามองจุดสยูตละหมาดเสร็จอ่านอัลกุราอานอ่านอัลกุรอานหลกัลกๆ ก, ก, ก็ต้องเปิดกุรอานนอกจากพี่น้องที่วอลล์ทดสอบให้มองไม่เห็นก็ต้องหารูปแบบอื่นอาจจะใช้อักษรเบลอาจจะใช้การท่องจําอาจจะใช้การฟังแต่หลักๆในเรื่องของการทําอิบาดะก็ต้องใช้ในเรื่องของการมอง ดูวิธีการทำอิบาระต่างๆแล้วก็ไปใช้ประโยชน์ต่างๆแล้วก็ที่สำคัญครับใช้ในการมองสิ่งต่างๆเพื่อพินิษ์พิเคาะในสิ่งที่อัลลอ์สั่งถ้าไม่มีตาสองข้างเราพินิษพิเคาะอย่างนี้ไม่ละเอียดครับอย่างที่วราแกว่งนีเราค ว, ว่าวามาอสลนะมินกับริกอิลาลานูฮีอห์มมินอลลกุรออาฟาเลมเจซิรูฟิลาอาร์ฟแยงซูรูเคฟ์แคนอาคิบตุลลาดีนมินกับริกิ ว่ลาลอลอาครัตีขัยรุ่นลิลลาดีลตักว่าอฟลาตักิลุนในสรุรยูซุปอายะที่109เครับพราะวาได้กล่าวว่าไงครับแล้วเราไม่ได้ประทานใครมาเลยก่อนหน้าเจ้านอกจากจะเป็นกลุ่มชายกลุ่มผู้ชายที่ว่าเราได้ให้ทางนําแก่เขาเพื่อที่ไม่เผยแผ่ยั้งหัวเมืองต่างๆก็หมายความว่าก่อนหน้าท่านนบีมุสลิมอัลลอฮฺสลามะเนี่ยก็มีนบีมีศาสนทูตหลายท่านแล้ว ศา ส, สนาทูตท่านนี้รับผิดชอบเมืองนี้น บ, บีซอเละก็รับผิดชอบเผ่าของท่านเผ่าสมุทรไปน บ, บีฮุดก็รับผิดชอบอารไปน บ, บีชโชเอฟก็มาแตยันน บ, บีแต่ละท่านก็มีเมืองที่ว่าต้องดูแลอัฟฟารมเยซีรูฟิลัตทำไมเขาไม่เดินทางไปตามที่ต่างๆบนผืนแผ่นดิน แ, แล้วไปดูว่าบั้นปลายที่เกิดขึ้นกับคนกลุ่มก่อนหน้าพวกเขานะ่ย มันเป็นอย่างไรบ้างพเพื่อให้เราไปดูถ้าเราไม่มีโอากาสไปดูดูในที่นี้ก็คือดูด้วยการศึกษาดูหนังสือดูตำรับตำราเลยแล้วฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับกลุ่มชนเหล่านั้นบ้างวอลเลเดรุลอาครค่อยรรีเกอฟลาตลซึ่งวกราก็บอกว่าแล้วโลกหน้ามันย่อมดีกว่าสำหรับผู้ที่ยำเกงทำไมพวกเจ้าถึงไม่ค่อควรเพราะพวกเราบอกไงครับให้ดูสิ ใช้ตาดูสิว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างกับกลุ่มชนก่อนๆหรือกับบุคคลรอบข้างเราหลายครั้งนะครับพี่น้องครับที่พวออัลลอฮ์เนี่ยมักจะให้เราเห็นเห็นกับตาเลยถึงกลุ่มคนที่ว่าเขาทำสิ่งที่อลัลลอฮ์รักแล้วเขาก็ได้รับผลทั้งๆที่มีชีวิตอยู่ได้รับผลที่ดีให้เราเห็นคาตาเลย หรือกับกลุ่มคนที่อาจจะเป็นเนื้อระกูพ่อแม่หรือว่าเป็นกลุ่มคนที่ไม่ดีกลุ่มคนที่เลวไร้หลายครั้งที่อัลลอฮก็ให้เราได้เห็นบั้นปลายของเราของพวกเขาเหล่านั้นแบบจ่าจ่าเลยด้วยกับดวงตาครับถ้าใช้ให้ถูกที่มันจะนํามาซึ่งความรักความเมตตาของอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะยิ่งรักเรามากยิ่งขึ้นอัลลอฮ์จะยิ่งเมตตาเรามากยิ่งขึ้นด้วยกับตาสองข้างที่พรงให้เรามา อีกอายัาหนึ่งครับเพราะกาคว่าอฟัลมยาซีรูฟิลอาฟตกูนละหุมกูลบุญยาพิลูนบิฮาเอาอาดานุยยสัมภูนบิฮะ فإنها لا تعمل أبصار ولا ولكن تعمل قلوب التي في الصدور นี่ส่วนห้าข้อยันที่ 4.6 ครับพวกลัสมาตาได้พูดนะครับซึ่งมีความหมายว่าทำไมพวกเขาล่ะไม่ลองท่องไปตามที่ต่างๆบนผืนแผ่นดินเพื่อจะได้มีสติเพื่อจะได้พินิษเพื่อจะได้วิเคราะห์ ฟะตักูเนลหุมกูรูวิยะกูรูมัยาบยาเพื่อที่ว่าเขาจะได้มีหัวใจที่รู้จักไข้ควรมีหูที่รู้จักรับฟังแน่นอนตาพวกเขาไม่ได้บอดแต่ที่บอดคือใจที่อยู่ในหัวอกเขาตัางหา ก, พกเพราะนัก็บอกให้รู้ครับหลายครั้งที่เราจะพบว่าคนบางคนเห็นสัจธรรมอยู่ต่อหน้าเห็นอยู่ชัดๆัดว่าอะไรถูกเห็นอยู่ชัดชัดว่าอะไรผิดเห็นอยู่ชัดๆัดว่าอะไรดีเห็นอยู่ชั ด, ช, ด, ด, ช, ดชัดว่าอะไรไม่ดี แต่เขาก็เลือกที่จะฝา่าฝืนสิ่งเหล่านั้นเขาก็เลือกทาสิ่งที่ว่าตาบางเพลใจพอเราบอกไงครับกลุ่มคนเหล่านั้นเนี่ยตาเขาไม่ได้บอดพอเราให้ตาเขานะ่ะมองเห็นหัวเขาก็ยังมีสติปัญญาคิดได้อยู่แต่ว่าใจของเขารับเม่ได้เหมือนกับในเหตุการณ์ในประวัติทัณฑบีวัสดุรย์สลัมซึ่งมีชาลเราพรุ่งนี้เราจะได้พูดคุยกันถึงกลุ่มคนที่ว่าตามีสมองมีหูมีแต่ใจบอด ผลสุดท้ายมันนำอะไรมาสู่เขาบ้างก็ยังชาร์ลส์เราจะได้พูดคุยกันในวันพรุ่งนี้ครับผมในสรุลุกมมนครับอายะที่สิบเขาพอรกับเราครับว่าอัลลอฮ์รอันอัลลอฮะทักรางใหุ้มาในสัมบัติละมอร์ว่าสบกุลนิยมหูด้าฮีร์ตัวบาตินะวะมินุษย์ไม่ชัดลุฟิลลาบิไมรอินมวลุ่นแลกิตามนิรวเรากล่าวว่าไงครับวเรากล่าวว่า พวกเจ้าไม่เห็นดอกหรือสิ่งสิ่งที่พระองค์ร้อนเนี่ยให้แก่พวกเจ้ามาทั้งจากสิ่งอยู่ในฟากฟ้าแล้วก็แผ่นดินพเพราะว่าบอกเนี่ยใช้ตาสองข้างเนี่ยพระองค์สร้างตามาสองข้างทําไมไม่ใช้มันดูในสิ่งที่จะเพิ่มอี إ ي ่านพวกเจ้าล่ะหลายครั้งเรามองท้องฟ้าแล้วเราก็บอกโอ้สวยจังเลยโอ้คิดถึงเธอเหลือเกินคิดถึงเขาเหลือเกินฝนจะตกไหมวันนี้อากาศดีหลายครั้งเรามองอย่างนั้นพเพราะว่าบอว่าทําไมเจ้าไม่มองดูล่ะสิ่งที่อลัลลอฮ ให้กับพวกเจ้ามอบให้กับพวกเจ้าทั้งสี่อยู่ในฟากฟ้าแล้วก็แผ่นดินเวลาฝนที่อัลลอ์ให้มันตกลงมาเราได้มองมาในมุมมองที่ทำให้อัลลอ์รักขึ้นไหมเราได้มองไม่แล้วเราก็คิดว่าอัจฮัมดิลีแล่วอัลลอฮุมาซิยิบันนาฟิยันอลลอ์ขอให้ฝนที่ตกมานี้เป็นฝนที่ยังประโยชน์อขอบคุณอัลลอ์ที่ให้ฝนตกฉันอาจจะลาบากแต่ว่ามันเป็นความปวดปานให้กับสรรพสิ่งทั้งหลาย ขอคุณเราลอตให้มีกลางวันเนี่ยมีท้องฟ้าเนีมีกลางวันมีกลางคืนมีบรรยากาศมีอากาศที่ดีมีดวงอาทิตย์ให้แสงสว่างมีดวงจันทร์ที่ว่าให้แสงสว่างยามค่ำคืนมีดวงดาวที่ว่าเป็นทิศทางในฟักฟ้าอัลลอฮ์สร้างสิ่งต่างๆมากมายเพื่อเราอัลฮัมดุลิละนี่คือมองแบบผู้ศรัทธามองท้องฟ้าแบบผู้ศรัทธาเช่นเดียวกันครับมองแผ่นดินแบบผู้ศรัทธาสมมุติฝนตกมาอัลฮัมดุลิละเราจะสังเกตว่า ดูตรงไหนมันก็เขียวชาอุ่มดูมันสดชื่นแล้วก็บอกนะครับอัลฮัมดุลิลละขอบคุญละล้อผู้ที่ได้ประทานฝนนี้มาแล้วยังประโยชน์แก่เราทําให้เกิดความสดชื่นทําให้เกิดอากาศที่ดีทําให้เกิดริสกีโอ้อลลอฮ์โปรดเมตตาเราโอ้อลลอฮ์โปรดให้ไปโทษเราไปครับด้วยกับตาที่มองเห็นเนี่ย إيمان เพิ่มไหม إيمان เพิ่มขึ้นได้แต่2ข้างปกติเราใช้ทุกวันอยู่แล้วพี่น้องครับง่ายๆพี่น้อง หลายครั้งที่เรามองอะไรก็ตามแต่มองแล้วมันแบบมองแค่ดุนยาเนี่ยเราปรับให้มันเป็นการมองเพื่ออัลลรฮ์มองเพื่ออัลลอฮ์รักมองเพื่ออัลลอฮ์พอใจหลาอย่างเราดูแล้วอาจจะรู้สึกเหมือนกับว่าไม่ค่อยพอใจไม่สบายใจแต่มุสลิมเรามองอัลลอฮ์ในด้านบวกเสมอเพราะนั้นหากใช้สายตาให้ถูกที่ นั่นจะเป็นสิ่งที่ว่าเพิ่มความรักความเมตตาจากอัลลอฮ์ให้มีต่อเราแล้วก็จะเป็นการเพิ่มอ إ ي م านเราแล้วก็จะเพิ่มเป็นการเพิ่มกำลังใจเราเหมือนง่ายๆครับพี่น้องเวลาพี่น้องมองอะไรก็ตามแต่ถ้าเรามองด้วยกับมุมมองลบกำลังใจเรามันก็หายถุงไหมครับแต่ถ้าเรามองเราใช้ตาเรามองเนี่ยตาคู่เดิมเนี่ยแหละมองเรื่องเดิมแต่เรามองแล้วผนวก إ ي م านเข้าไปให้มันเป็นด้านบวกมันก็เป็นกำลังใจ เหมือนกับว่าใครสักคนกำลังพยายามซักผ้าแล้วไปตากผ้าเอาฝนตกเปียกอตอนเนี้ยตาเนี่ยเห็นแล้วเนี่ยว่าผ้าเปียกตาคู่นี้มองเห็นว่าเปียกถ้าใจคิดว่าอู๋เนี่ยฉันวิาสักมาเนี่ยเหนื่อยแล้วเกินเนี่ยทำไมฝนมันต้องมาตกตอนนี้ด้วยทำไมทําไมทำไมทำไมทําไ ม, ไมแล้วกาลังว่าล้อผู้ให้ฝนถึงเวลาพวกเราล้อไม่ให้ฝนมาเราจะเดือดร้อนแต่ถ้าเราใช้ตาคู่เดิมเนี่ยแหะครับคู่เดิมที่เราล้อให้นี่แหละมองไปผ้าเปียก อัลฮัมดีนีละอัลาคุลิฮันเราได้พยายามแล้วเราได้ซักผ้าดีที่สุดแล้วแต่พอเราทดสอบให้มันเปียกแปลว่าในการทดสอบนี้พวกเราจะตอบแทนความเหนื่อยยากเอาไม่เป็นไรแล้วก็ไปทําอาจจะเอามาซักใหม่หรืออาจจะมาบิดหรืออาจจะมาตากที่ไหนอะไรอย่างงี้ต่อมันมีทางไปของมันเรื่อยๆเพียงแต่ว่าปกติตาที่เราใช้เนี่ยมันจะเป็นตัวกําหนดใจของเราได้ด้วยหลายครั้งเราเคยได้ยินใช่ไหมครับว่าดวงตาเป็นหน้าต่างของหัวใจ หลายครั้งเราสามารถใช้หัวใจเราเนี่ยกำหนดการมองเห็นแล้วการมองเห็นก็ควบคุมหัวใจสอดคล้องกันมันก็จะทำให้สิ่งใดก็ตามที่เรามองเห็นที่เราเจอในแต่ละวันนั้นมันกลายเป็นสิ่งดีงามกลับมาหาพวกเราได้ถ้าเราสังเกตดูในยักกุรานครับพวกเราพูดถึงตาของผู้ศรัทธาครับผมในสโลอัลมาอ i เดะ ในสุนทไมเดาครับว่าเราเขาว่าครับตออาอายุนหุมเตฟีดูมินัดดัมเจ้าจะเห็นในดวงตาของพวกเขามีน้ําตาที่หลั่งออกมาดวงตาที่พวกเราเลาะให้อย่างที่พวกเราทราบครับธรรมชาติของคนเราเวลาร้องไห้เวลาที่เรารู้สึกบีบคันเวลาที่เรารู้สึกเสียใจเราก็จะร้องไห้น้ําตาก็จะหลั่งมานั่นคือความมีตาของเรา เหมือนเมื่อครั้งที่ว่าท่านนบีมสุสลิมซามสูญเสียลูกชายคนที่สามของท่านท่านอิบราฮิมท่านนบีมีลูกชายสามท่านเสียชีวิตก่อนท่านหมดเลยนี่คือความเศร้าของคนเป็นพ่อท่านนบีครับท่านมีโอกาสได้อุ้มลูกก่อนที่จะสิ้นใจพี่น้องลองคิดตามลองจินตนาการครับว่าคนเป็นพ่อที่รักลูกมาก อยากมีลูกชายแล้วร้องร้องให้มีลูกชายแล้วถึงเวลาต้องอุ้มลูกแล้วก็ต้องดูลูกที่จะสำลักหายใจเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่จะเสียชีวิตก่อนที่จะจากโลกไปลูกของท่านนบีมุสลิมก็เสียชีวิตคาอกของท่านตอนที่ท่านกําลังอุ้มอยู่ก็สำลักอากาศส ำ, กสำลักสำลักสำลักแล้วก็เสียชีวิตไปท่านนบีมุสลิมก็ไม่ได้พูดอะไรแต่ว่าตานั้นได้หลั่งน้ําตาออกมาถ้านดุรมาบินเอาอยู่ใกล้ๆครับแลถามท่านนบีเวลาสุลต์ละท่านท่านโอเคใช่ไหม คือพอเห็ น, นั้งแต่ท่านอบีคือมันไม่ใช่จะเห็นกัน ง, ง่ายๆครับั้งแต่ท่านอบีคือปกติท่านอบีมโนสโรซาล์มร้มองไห้ก็ระหว่างขั้นกับอัลลอฮ์ก็จะไม่มีใครเห็นแต่นี่คือด้วยความเสียใจก็ร้องไห้อกมาท่านอับดุลละมา์บินอัลก็ถามว่ายารสโรล้อท่านไหวใช่ไหมท่านอบีตอบว่าไงครับอับดุลละมา์บินอัลสิ่งนี้คือความเมตตาจากอัลลอฮ์ที่ให้บ่าวเมื่อเสียใจมากๆมีสิ่งที่มาบรรเทาความเสียใจ คือเวลาได้ร้องไห้ออกมานะครับมันจะรู้สึกเป็นการปอบประโลมจิตใจในระดับหนึ่งท่านอบีก็บอกนี่คือความไม่ตาของล้อที่เอาร้ให้มาจากตาทั้งสองไม่ใช่แค่ตาไว้ดูแต่ยังเป็นตาที่ว่าสามารถหลังน้ําตาเพื่อปอบประโลมจิตใจที่อ่อนแอได้ด้วยแล้วท่านอบีมัสสัชรัมก็พูดต่อว่าไงครับตานั้นหลังน้ําตาแต่ปากนั้นจะไม่พูดในสิ่งที่ทําให้เอาร้อโกรธเกียดนี่คือผู้ศรัทธาครับ สิ่งที่ตาเขามองเห็นสิ่งที่ตาเขาทําอะไรก็ตามแต่เขาแคร์ล้อมากที่สุดนั่นคือสิ่งที่เขาแคร์มากที่สุดครับผมแล้วก็พี่น้องที่รักยิ่งครับด้วยการมองเห็นเนี่ยอย่างที่พวกเราทราบครับดวงตาทั้งสองข้างเนี่ยเป็นหนึ่งในเหตุผลที่จะทําให้เรานั้นอยู่ใต้ร่มเงาของพระลอสุบภานุวัตตาในวันที่ไม่มีร่มเงาอื่นใดอีกแล้วนอกจากร่มเงาของพระองค์ การมีตาสองข้างเนี่ยครับเป็นอีกหนึ่งความเมตตาอันยิ่งใหญ่อย่างที่พวกเราทราบกันครับท่านนบีมุสลองอะลัยสัลัมบอกว่าซาบะตุนอยู่ซิลุมุลลอฟิซิลลิฮิยอมะลาซิลละอิลลาซิลุจะมีอยู่เจ็ดกลุ่มเท่านั้นที่ว่าในวันเกียร์มาเนี่ยเขาจะได้อยู่ในร่มเงาของอัลลอฮ์ช่วงที่เราการสอบสวนช่วงที่มีการสอบสวนเขาอยู่ในร่มเงาของพระอัลลอฮ์ซึ่งในวันนั้นเนี่ยทุ่งมาชชัดอย่างที่เราทราบก็คือว่ามีความใหญ่ มหาศาลแค่ในนี้วลอลล์ว่าเราไม่มีใครรู้แต่ว่าสิ่งมีชีวิตทั้งหมดนั้นสามารถมารวมกันได้และดวงอาทิตย์ก็จะเลยศีรษะไปเพียงแค่คืบหรือว่าศอกแต่และคนจะร้อนมีเหงื่อท่วมตามความดีที่เขาทําบางคนก็เหงื่ อ, อจะท่วมเท้าบางคนอาจจะท่วมหน้าเลยเป็นไปได้ไงวอลล์ไ อ, อลัมครับถึงเวลาโลกหน้าเดี๋ยวพี่น้องรู้เองเดี๋ยวเจอเองเดี๋ยวรู้เองว่ามันเป็นยังไงแต่เราก็หวังว่าเราจะได้อยู่ในร่มเงาของวอลล์ท่านนบีอัลกษัตริย์สลามพูดว่าไงครับ ในเจ็ดกลุ่มเนี่ยที่ว่าจะได้อยู่ในร่มเงาของอัลลอฮ์เนี่ยเริ่มด้วยกับอิมามุลัยดิลุนก็คือผู้นําที่มีความยุติธรรมท่านอาบีก็พูดมาถึง al ad ad ว่ารจูลจะกล่าวลอหูค้าลี่นว่าฟาดอัลไอหนาหูอักามาข้าลัสลลาฮุอะลัยฮุสสลามแล้วอีกหนึ่งกลุ่มที่จะได้อยู่ในร่มเงาของอัลลอฮ์คือกลุ่มคนคือคนที่ว่าเมื่อเขาอยู่ตามลําพังเขารำลึกถึงอัลลอฮ์แล้วเขาก็หลั่งน้ําตาออกมา หลังน้ำตาด้วยความรักที่มีต่ออัลลอฮ์หลังน้ำตาด้วยความกลัวที่มีต่ออัลลอฮ์หลังน้ำตาด้วยความสำนึกผิดที่เขาทำสิ่งที่ไม่ดีไปหลังน้ำตาด้วยกับความรู้สึกที่มันอัดอั้นอยู่ในใจที่ว่ามันเป็นเรื่องระหว่างเขากับอัลลอฮ์พี่น้องที่รักครับลองถามตัวเองว่าครั้งสุดท้ายที่ร้องไห้กับอัลลอห์เนี่ยเมื่อไหร่ร้องไห้แบบไม่ต้องให้ใครรู้ไม่ต้องให้ใครมาเห็นไม่ต้องให้ใครมารับรู้ได้ทั้งสิ้น เมื่อตอนที่ลุกมายามค่าคืนแล้วมาราลึกถึงอัลลอฮ์หรือว่าไปเยี่ยมหนูฝังศพแล้วก็ราลึกถึงพู้อัลลอฮ์ครั้งสุดท้ายที่เราหลั่งน้ําตาน่ยพี่น้องจำความรู้สึกของเราได้ไหมว่าเรารู้สึกยังไงบ้างนั่นคือความรู้สึกที่ค่อนข้างจะบริสุทธิ์แล้วถ้าไม่มีใครเห็นไม่มีใครรับรู้แล้วพี่น้องอยู่ลําพังกับพู้อัลลอฮ์แล้วพี่น้องหลั่งน้ําตาออกมานั่นคือน้ําตาแห่งความบริสุทธิ์ใจ ไปนัดนดวงตาที่พ่อเราให้เนี่ยให้มีน้ำตาแล้วน้ำตานี้เป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่จะทำให้เรานั้นมีโอกาสอยู่ในร่มเงาของพวอเราแล้วในขณะเดียวกันมันก็อาจจะเป็นเหตุผลที่เราต้องพบกับความโกรกกิ้วของพ่อเราเช่นเดียวกันครับตาสองข้างเนี่ย มันเป็นทั้งบททดสอบมันเป็นทั้งสิ่งที่ว่าผู้ศรัทธานั้นใช้ในการลำลึกถึงอัลลอ์ใช้ในการมองต่างๆเพื่อใคร่ควรถึงอัลลอฮ์และในขณะเดียวกันครับมันก็เป็นบททดสอบในอีกหลายด้านด้วยบางท่านครับอัลลอฮ์ทดสอบให้สูญเสียดวงตาไปสูญเสียการมองเห็นไปอาจจะเพิ่งทดสอบทีหลังคือตอนแรกอาจจะมองเห็นแล้วมองไม่เห็นหรือว่า จ, จะถูกทดสอบตั้งแต่เกิดโดยการที่มองไม่เห็นเลยตั้งแต่เกิด บททดสอบหนักไหมหนักมากครับยิ่งเลยเพราะกับพวกเราที่ว่าเรามีการมองเห็นมาตลอดเราลองคิดดูว่าถ้าเมื่อไหร่ที่พวกเราการมองเห็นไปเนี่ยเราใครจะมาช่วยเราได้แล้วชีวิตเราจะเป็นยั ง, ย ง, ยงไงต่อไปแน่นอนชีวิตต้องดำเนินต่อไปแต่ว่าเนลส์บินไลมินดาลิกมันคงจะหนักมากแต่ท่านนบีมสุสลละิมบอกว่าไงครับในความยากลําบากนี้ในบททดสอบนี้ นันที่ใครมาบุคครีครับท่านอับดุลเบบีมุสลิมกล่าวว่าอินัลลอฮฺอัลลอวาจาลละก็ลิอิดะอาขัสตุการีมตัยอับดีฟาซบารวะเดซับลำอารดาลฮุสาวะบันดูนั่นฉันะเมื่อไรก็ตามอันนี้คือท่านับดลีมุสลิมพูดโดยอ้างคำพูดของพู้อัลลอ์ก็คือเป็นห a d กุดซีท่านบับดีอ้างคาพูดของอัลลอ์ว่าพูอัลลอ์ได้พูดไว้ว่าในลิสบทนี้นะครับท่านบุลีมุสรรมบอกว่าพู้อัลลอ์นั้นได กล่าวเมื่อใดก็ตามที่ฉันเอาการมองเห็นไปจากบ่าวของฉันเมื่อไใดก็ตามที่บ่าวของฉันตาบอด น, นั่นเองมองไม่เห็นถ้าหากว่าเขาทําได้สองอย่างถ้าเขามีความอดทนแล้วเขาหวังความเมตตาจากฉันสบรอวะแตสบะอดทนนะไม่ใช่อดทนอย่างเดียวเพราะถ้าอดทนอย่างเดียวนี่คือมุสลิมไม่ใช่มุสลิมก็ได้ผลและบุญกันหมดแต่นี้จะได้ผลละบุญ อดทนแล้วก็หวังความเมตตาจากกันร้อยอย่าร้อยพงทดสอบเราให้เกิดการสูญเสียในเรื่องการมองเห็นบางท่านอาจจะังไม่ถึงขั้นตาบอดอาจจะแค่ตาสั้นแบบผมที่ต้องมานั่งใส่แว่นหรือว่าบางท่านอายะตาสั้นตายาวหรือว่ามีตาเอียงตาเฉตาเขตาอะไรก็ตามแต่อาจจะตาบอดสีหรือว่าตาผ้าพางอาจจะเป็นต้อเป็นอะไรก็ตามแต่พี่น้องที่รักยิ่งครับเราพยายามทำในส่วนคลอยดีที่สุดในเรื่องของการรักษาในเรื่องของการเยียวยาในกรอบที่เราจะทําได้ ในขณะเดียวกันครับเราก็ต้องมีความอดทนแล้วหวังว่าอาลัลลอฮ์จะรักเราเมตตาเรามากขึ้นเพราะเราอดทนเพื่อพระองค์นี่คือประเด็นสาคัญเช่นเดียวกับทุกอย่างนะครับไม่ใช่ใครการมองเห็นทุกบททดสอบของผู้อัลลอ์โดยเฉพาะบททดสอบที่เราไม่ชอบนะพี่น้องอดทนแล้วก็หวังว่าอาลัลลอ์จะรักเราเมตตาเรามากขึ้นถ้าเราอดทนเพื่อพระองค์ครับผม ขอมาแวะมาทักทายพี่น้องทีนึงนะครับผมคุณซาด้าอินทูนนะครับสาลุ่มบอกว่ามาอัพคามาเรียนสายวาเลนตุมสลาฟมอฟตูเลววาบาร์กัตตูอัไรทำดีแล้วครับได้มาร่วมกันก็ขอร้อยเมตตาละครับผมส่วนคุณยายาไเมื่อกี้ผมอ่านเลี่ยงบอกว่าพร้อมเรียนรู้พี่น้องจากสารยายินดีต้อนรับพี่น้องจากสารยาแล้วก็พี่น้องจากปทุมธานีพี่น้องจากมีนบุรีพี่น้องจากส่วนไหนก็ตามของโลกใบนี้นะครับก็ยินดีต้อนรับพี่น้องทุกท่านครับเข้าสู่กลุ่มฮาร์ลก็ของเราฮาร์ลก็ พอ่านเนี่ยนะครับผมพี่น้องที่รักยิ่งครับในเรื่องของการมองเห็นเนี่ยพี่น้องรู้ัหมครับว่าการมองเห็นเนี่ยมันจะเป็นความโปรดปานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่ชาวสวรรค์จะได้รับเท่าที่ชาวสวรรค์จะได้รับด้วยการมองเห็นนี่แหละการที่เราสร้างเราไมา่มองเห็นเมื่อไหร่ครับที่มนุษย์เราจะมีความสุขมากที่สุด เมื่อไรที่บ่าวคนนึงจะมีความสุขมากที่สุดคำตอบคือตอนที่เขาได้เข้าสวรรค์ตอนที่เขาจบจากทุกบททดสอบแล้วแล้วความสุขสูงสุดของชาวสวรรค์คืออะไรรู้ไหครับคือการที่เขาได้มองไปยังพระองค์อัลลอฮซุบฮานฮวะตาลาดังนี้ ก, ก็แล้วนี่ยูนัสขับพลกว่และีน่อัพสันุุสเนละจะย่าดะและยาห์คูบจูฮุมฟาตรอ กัตรอครับกัตรอเวลาซิลล์กัตรอเวลาซิลวว ล, ล, อวว ล, ล์อูลกัสซาบุญเจนนะฮุมฟีฮะคอร์ดิลุนะยูครับพกราจะกล่าวครับ ว, ว่าสําหรับคนที่ทําความดีทุ่มเททําความดีมาตลอดชีวิตของเขานั้นฮุสนาเขาจะได้รับความดีงามซึ่งนักทัพซีดอย่างเชฟนูกาซีดแล้วก็นักทัซีดหลายๆท่านแปลว่ามันคือสวรรค์การตอบแทนคือสวรรค์วาซิยะได้ไม่ใช่แค่สวรรค์เขาจะได้เกินจากสวรรค์อีก ซึ่งนักถ่ายที่บายกุลแอนก็บอกว่านั่นคือการได้มองไปอย่างพุกอัลลอฮ์ซึ่งชาวสวรรค์นั้นในทุกอาทิตย์ในหนึ่งอาทิตย์นะครับจะมีอยู่วันหนึ่งที่ว่าจะได้ไปรวมตัวกันซึ่งเขามีโอกาสก็คงจะได้คุยกันต่อไปนะครับว่าชาวสวรรค์จะได้ไปรวมตัวกันในทุกอาทิตย์แล้วเมื่อเขาได้เห็นพกรกอัลลอฮ์ซุบฮามตาละความสุขทั้งหมดที่เขาได้ในสวรรค์นะ่ยมันจะหายไปจากหัวเขาเลยคือการได้มองเห็นพุกอัลลอฮ์นั้นคือความสุขสูงสุดแล้วของชาวสวรรค์ หลังจากนั้นเมื่อเขากลับมาหาครอบครัวของเขาพผู้รอดก็จะอัพครอบครัวของเขาให้ดีงามขึ้นให้สวยงามขึ้นให้มีความเพลิดเพลินในการพักผ่อนในสถานที่ของเขาให้มีความดีงามยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นในสวรรค์ครับไม่มีคําว่าที่สิ้นสุดมันจะพัฒนาดีขึ้นไปดีขึ้นไปดีขึ้นไปดีขึ้นไป ด, ขไป ด, ขไปดีขึ้นไปตลอดการสุภาพรอดนี่คือความยิ่งใหญ่ของผล้รอดที่ผล้รอดเตรียมไว้ให้กับผู้ที่ยอมเหน็ดเหนื่อยในดุนยาเพื่อพระองค์ครับ เพราะ้ในดุนยามันเหนื่อยนักใช่ไหมมันแย่ใช่ไหมมันท้อใช่ไหมมันสารพัดบททดสอบใช่ไหมถึงเวลาตาคู่นี้ของเราอินชาอัลลอฮ์ครับในโลกหน้าเมื่อเู้รอดให้ร่างกายใหม่ของเราเราชีวิตอากาศได้เห็นพผู้รอดม า, าตายแล้ครับและนั่นคือความโปรดปานที่สุดของผล้รอดครับผมครับคุณวัชรินทร์นะครับกันเถาวงสลามมาก็วายเลยคุมุสลิมวารัมตุลลอฮ์วบรากกาตุลครับผมพี่น้องที่รักยิ่งครับผม ท่านนบีมศลลลฮอลัลมได้พูดเพื่อเป็นการเตือนสติพวกเราทุกคนเตือนสติพวกเราทุกคนจากท่านฮาฟิซบินอัสซาคิรอัมักฮูลกล่าวกลานบีลลัลลฮอัลอัลามจะกล่าาลายบนอาดัมกอัอัมตอลกันิอมันอิดามันลาุซอะดดะฮลาุซีอะดดะฮะลูกหลานของอดาดัมเอ๋ยนี่คือพวกล พูดให้เราฟังผ่านท่านอับดุลเบี๊ย์มัสลลอร์สลัมครับผู้เล่ากล่าวว่าไงครับลูกหลานของอาดัมเอย๋ยแน่นอนข้าได้ให้ความโปรดปานอันยิ่งใหญ่มากมายแก่เจ้าถูกไหมครับในดุนยาเนี่ยเราได้เกิดมาเรามออีอาหารเรามีริสกี้เราได้เติบใหญ่ทุกอย่างที่เราได้มันเป็นความโปรดปานอันยิ่งใหญ่ทั้งนั้นเลยอย่างดวงตา น, นี่ก็เป็นสุดยอดปาฏิหาริย์แล้วในเรื่องที่ว่าทําไมมันทํางานให้มองเห็นให้เราได้มองเห็นสิ่งต่างๆ พวกล้อบอกว่าข้าได้ให้ความโปรดปานอันยิ่งใหญ่มากมายแก่เจ้าซึ่งเจ้าไม่มีทางจะสามารถนับมันได้หมดแล้วเจ้าก็ไมส่สามารถขอบคุณได้ครบทุกเรื่องถูกไหมครับถ้าเกิดเราจะมานั่งนับว่าเราต้องขอบคุณพวกล้อกี่เรื่องเป็นไปไม่ได้ครับเพราะเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าพวกล้อโปรดปานเรากี่เรื่องวัอินตตอร์วเนียมาตอนเล่นลักดูสู้แฮะหากเจ้าจะมานับความโปรดปานที่ล้อมีให้กับเจ้าเนี่ย เจ้านับไม่ได้หรอกแค่ดวงตาเนี่ยว่ามีความปวดปานอะไรบ้างที่อยู่ในการมองเห็นของเราเนี่ยเยอะแยะมากมายเกินจินตนาการเพราะฉะนั้นเมื่อเราไม่สามารถนับได้ว่าพกอรอดมีความปวดปานให้แกเราแค่ไหนจึงเป็นไปไม่ได้ที่เราจะขอบคุณพ่อรอดในทุกเรื่องที่โปร่งให้กับเราแต่อิสลามมีทางรักเสมอเวลาเราขอบคุณพ่อรอดเราก็ขอบคุณกว้างโดยใช้คาว่าอัลฮัมดุลิลิรบบิลลมีน ขอเสริมเสริมพวว่อเลาะในทุกๆอย่างที่พ่อเลาะให้กับเรามานี่คือตักทางลับครับเพราะเราไม่รู้ว่าพ่อเลาะทาอะไรให้กับเราบ้างมันมากมายเกินจินตนาการเราก็ได้แต่ขอบคุณพ่อเลาะแล้วก็พยายามทําตัวเป็นบ่าวที่ดีของพระองค์กลับมาดูในที่ต่อครับพ่อเลาะกล่าวว่าเจ้าไม่สามารถที่จะนับมันได้แล้วเจ้าก็เป็นไปไม่ได้ที่จะขอบคุณได้ทุกเรื่องว่าอินมิมมาอนอัมตุอาลัยกาอันชาลตุเลกาอินนายน์แนซุร bihima แล้วก็จากความโปรดปานยิ่งใหญ่ที่ข้าให้กับพวกเจ้าคือการที่ข้านั้นให้พวกเจ้ามีตาสองข้างเพื่อที่เจ้าจะได้ใช้มันในการมองแล้วในขณะเดียวกันข้าก็ได้สร้างให้มันมีเปลือกตาเพื่อที่เจ้าจะได้ปิดมันได้พระเราพูดอย่างนี้แล้วนะครับว่าพระเราให้มีตากับให้มีเปลือกตาเอาไว้ปิด พี่น้องทีละครับวักต่อมาที่โพลล้อพูดเป็นสิ่งที่มุสลิมต้องเตือนตัวเองไว์โพลล้อบอกว่าไงครับดังนั้นเจ้าจงใช้ตาทั้งสองของเจ้าดูในสิ่งที่ข้าอนุมัติให้กับเจ้าสุบานาล้อโพลล้อบอกว่าโพลล้อให้ความเมตตาโปดปานต่างๆมากมายให้การมองเห็นแล้วก็ให้หนังตาที่ว่าสามารถที่จะหลับเพื่อให้ตามองไม่เห็นได้ด้วยไม่ต้องไปกดเปิดปิดสวิตช์ที่ไหนโพลล้อก็ได้เตือนว่างไงครับ เวลาดูอะไรเนี่ยก็ดูในสิ่งที่ข่าให้อนุมัตินะอย่าไปดูเอาร อ, อของผู้อื่นอย่าไปดูเรื่องไม่ดีของผู้อื่นอย่าไปคอยดูจับผิดคนอื่นหรืออย่าไปดูอะไรที่มันเป็นสิ่งที่ไม่ดีอันนี้คือพวกเราตเตือนไว้ว่าอินหรอไอแต่มาฮารอมตัวอเ ล, อลอยแกฟาดมิกอเลยฮิมากริตตออาหูมาถ้าเมื่อไหร่ที่เจ้าจะไปเห็นอะไรที่มันเป็นสิ่งต้องห้ามเจ้าก็ปิดมันซะปิดตาซะพวกลัทใช้คําง่ายๆนะครับ ใครให้ความปวดปานเจ้าเยอะหนึ่งในนั้กนะ็คือการมองเห็นแล้วก็ให้มีหนังตาด้วยเพราะฉะนั้นมองอะไรก็มองสิ่งที่หาลัานถ้าเจอสิ่งที่ไม่หาลัานก็หลับตาซะอันนี้เป็นสิ่งที่ว่าพูดง่ายเข้าใจง่ายทํายากเพราะปกติธรรมชาติของคนเรามันจะอยากรู้อยากเห็นใช่ไหมครับภาษาไทยใช้คำว่าอยากรู้อยากเห็นเวลาเกิดอะไรที่ไม่ดีก็อยากจะไปดูว่ามันเกิดอะไรอยากเห็นกับตาเหมือนกับว่ามีงานวิจัยครับที่ว่าเขา ทำที่สถานศึกษาแห่งหนึ่งผมไม่แน่ใจว่าเป็นโรงเรียนหรือมหามอะไรแต่ว่าเขาให้มีประตูอยู่บานหนึ่งนะครับผมติดป้ายว่าห้ามมองคือเขาเจาะรูไว้แล้วก็ติดป้ายว่าห้ามมองโดยที่ไม่มีคนอยู่แถวนั้นแต่เขาติดกล้องไว้คนที่ผ่านไปผ่านมาผ่านประตูนี้เกือบทุกคนต้องมองเข้าไปในรูนี้มันเป็นความอยากรู้อยากเห็นของคนพวกเราก็ได้เตือนครับว่า อะไรที่มันฮารอมเนี่ยตัดใจซะมีหนังตาใช่ไหมก็ปิดซะแล้วก็เดินไปที่อื่นซะในฮะดีส์ยังไม่จบแต่เพียงเท่านี้ครับพัวเราได้กล่าวต่อครับว่าแล้วข้าก็ได้ให้เจ้ามีลิ้นแล้วก็ให้มีสิ่งเอาไว้ปิดลิ้นด้วยนั่นก็คือลิมพิปากถูกไหมครับอยู่ในย่าต่อมาเดี๋ยวเราจะได้พูดคุยกันในครั้งต่อไปชาลลอสที่ว่าวอริเซนและวอร์เชอร์ฟอร์ไตอัลลัยมีลิ้นแล้วก็มีลิ้มพิปากทั้งสองในฮะดีส์ น, นี้ครับพัวเราบอกว่าไงครับ ค่าให้ลิ้นกับเจ้าแล้วก็ให้สิ่งที่เอาไว้ปิดลิ้นดังนั้นจงเจ้าจงใช้มันเพื่อพูดในสิ่งที่ค่าให้อนุมัติกับเจ้าแต่เมื่อไหรก็ตามที่เจ้าจะพูดในสิ่งที่มันฮารอมก็ใช้ลิ้นฝีปากเนะี่ยปิดซะคือการไม่ทํำบาปใหญ่เนี่ยบางทีมันไม่ต้องเหน็ดเหนื่อยเลยมากเลยคือการนินทาเนี่ยบาปใหญ่ใช่ไหม ใส่ร้ายเนี่ยบาปใหญ่ใช่ไหมการด่าว่าการเนี่ยเป็นการซอนเหลี่ยมกันอาธรรมกันเป็นบาปใช่ไหมไม่ทำเนี่ยง่ายนิดเดียวก็คือปิดปากปุ๊บจบแต่บางทีมันคันปากมันอยากอ้าปากมันอยากให้ลิ้นได้ขยับมันอยากได้ลิ้นได้เป่งลมเป็นคำพูดออกมาทำร้ายเชื้อเฉือนจิต ใ, ใจคนอื่นบางครั้งมนุษย์เรามันก็แปลกเราไม่ชอบให้ใครมาเชื้อเฉือนเราด้วยกับคำพูดแต่ว่า มันเป็นความสุขของเราที่จะได้เชื่อฉือนคนอื่นด้วยกับคำพูดแล้วก็ด้วยกับลิ้งของเราเห็นด้วยไหมครับผมประเด็นลิ้นเดี๋ยวเราค่อยไปคุยกันอย่างละเอียดในครั้งต่อไปในชาล้อครับผมประเด็นสำคัญครับพวกเราบอกว่าไงครับแล้วในขณะเดียวกันข้าก็ได้ให้เจ้านั้นมีอวัยวะเพศแล้วข้าก็ได้กําหนดให้มีเอาระก็คือกาหนดให้ต้องมีการปกปิดอวัยวะเพศถูกไหมครับสหรับมุสลิมเรากาหนดชัดเจนเลย คือคนต่างศาสนาเขาจะเปิดอะไรยังไงเนี่ยมันขึ้นอยู่กับกฎหมายพื้นที่ที่เขาอยู่อาจจะมีที่ที่ว่าเป็นเขตที่เปือไไ้อยใดหมดพื้นที่ที่ว่าต้องแต่งตัวสุภาพหรอว่าอะไรก็ตามแต่แต่สําหรับมุสลิมเราครับไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามอย่างน้อยที่สุดเรามีเอาล้อที่ว่าเราต้องปกปิดอย่างผู้ชายผู้หญิงเอาล้อหลักๆก็คือสะดือถึงหัวเขา่าถ้าผู้หญิงอยู่ระหว่างผู้หญิงก็คือสดือถึงหัวเขา่าอยู่กับต่างเพศก็ต้องมีการ ปิดปกปิดให้มิดชิดเพราะว่ากล่าวว่าไงครับข้าได้ให้พวกเจ้านั้นมีอวัยวะเพศแล้วก็ให้เจ้านั้นมีการปกปิดเอาล้อดังนั้นจงใช้อวัยวะเพศของเจ้าในสิ่งที่ข้าให้อนุญาตแก่เจ้าแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่เจ้าจะเอาอวัยวะเพศไปใช้ในสิ่งที่ฮารอมก็ให้ปิดเอาล้อของเจ้าซะก็คืออย่าไปทํามัน วักสุดท้ายที่พวงละล้อพูดครับเป็นการเปลี่นสติทั้งหมดหลังจากที่พวงละล้อห้ามในเรื่องการใช้ตาใช่ไหมห้ามในเรื่องการใช้ลิ้นใช่ไหมห้ามในเรื่องของอารมณ์ทางเพศใช่ไหมหลังจากที่วงละล้อบอกว่ า, วาพวงละล้อเป็นผู้ให้ความเมตตาทุกอย่างแก่เราที่เกินกว่าจะนับได้วักสุดท้ายของพวงละล้อเป็นวัคที่ว่าผู้ศรัทธาเราอาจจะต้องสะดุ้งกันหน่อยพวงละล้อกล่าวไงครับยับนาอาดัมลูกหลานของอาดัมเ อ, อ๋ย อินนากาลาแตฮัมมัดูสะคอตเจ้า ah ไม่สามารถแบกรับความโกรธของข้าได้หรอกอัลลอฮฺวะบัตผู้ลกล่ า, าวว่าไงนะครับหลังจากที่พูดทั้งหมดบอกแล้วว่าฮารอมอย่าทำบอกแล้วว่าให้ทำแต่ฮาร้านบอกแล้วว่าผู้ล้อได้ให้อวยวะมาพร้อมที่จะไม่ทำสิ่งที่ฮารอมแต่ถ้ายังไปฝืนทำสิ่งที่ฮารอมอีก พอลล์กล่าวเตือนสติในวัคสุดท้ายว่าลูกหลานออดัมเอย๋ยเจ้าไม่สามารถที่จะแบกรับความโกรกิ้วของข้าได้หรอกแล้วเจ้าก็ไม่สามารถปกป้องการล้างแค้นของข้าได้พอลล์ฟอับัตนี่คือสัจธรรมที่มุสลิมเราต้องตรหนักครับเราก่าวไหวพอลล์ทางด้วยกับความหวังทางด้วยกับความรักแล้วก็ด้วยกับความกลัว เราแบกรับความโกรธของล้อไม่ได้หรอกเมื่อพวกล้อโกรธกิ้วการลงโทษของพวกล้อนั้นเกินจินตนาการซึ่งล้อก็กล่าวว่าวามาอัสบะระหุมไอลันนาทพวกเขาไม่สามารถทนนรกได้หรอกในดุนยาพี่น้องเคยสังเกตไหมเราอาจจะบ่นบ่อยฉันไม่อยากทนแล้วฉันทนไม่ไหวแล้วฉันไม่ไหวแล้วอะไรก็ตามแต่ที่เรามากักจะพูดกันจริงๆอะยังทนได้อยู่ทนได้หมดแหละไอ้เรื่องพวกนั้นน่ยถ้าเปลี่ยนเคสนิดนึงทนได้หมด บางทีเจอคู่ครองของตัวเองนฉันทนมันไม่ได้แล้วมันทําอย่างนี้ถ้าพ ฤ, พฤติกรรมเดียวกันไม่ใช่คู่ครองเราทําแต่เป็นคนที่เราแอบชอบทําเราทนได้เห็นด้วยไหมละ่ะคาพูดบางประโยคอะถ้าเกิดคนที่เราไปหล ง, ขงเขาอะคนที่เราไปชอบเขาจะเขาพูดประโยคเนี่ยเรารับได้เพราะฉะนั้นไอ้ที่บอกว่าฉันทนไม่ไหวแล้วไม่ใช่ทนไม่ไหวมันทนได้หมดแหละในดุนยาเนี่ยทนไม่ได้คือตายนั่นแหละแค่นั้นที่เหลือทนได้หมดแต่โลกหน้าพากาวกลอกเก่าไงครับ โลกหน้าเนี่ยชาวนรกเนี่ยเขาทนนรกไม่ได้หรอกแล้วความน่าสะพึงกลัวของการทนนรกไม่ได้ก็คือถ้าทนไม่ได้โลกดุนยาคืออะไรตายโลกหน้าตายได้ไหมตายไม่ได้เป็นได้ไหมเป็นก็ไม่ได้เพราะทุกครั้งที่ว่าร่างกายถูกละลายไปพาอฟเปลี่ยนร่างกายใหม่กลับมามีชีวิตใหม่ แล้วก็ทรมานแล้วก็ถูกละลายใหม่แล้วก็ถูกสร้างใหม่แล้วก็ละลายถูกลงโทษแล้วก็ต้อ ง, งลลถูกสร้างใหม่ละลายถูกสร้างใหม่ละลายถูกสร้างใหม่ละลายพวกล้อกล่าวสรุปว่าในกุรานสั้ une, นๆเวลายะมูตุฟีฮะเวลายะฮยาในนรกนั้นน่ะเขาไม่สามารถอยู่ได้แล้วเขาก็ไม่สามารถตายได้ในอุสบิลลาบินซาดิคับขอดวยจากพวกล้อให้เราทุกคนนั้นรอดพ้นจากไฟนรกรอดพ้นจากการถูกลงโทษในไฟนรก แล้วก็ขอให้เรารอดพ้นจากการถูกลงโทษในหลุมฝังศพด้วยเพราะว่าแม้แต่ในหลุมฝังศพการลงโทษก็ทรามานเกินจินตนาการพี่น้องที่รักครับเรายังคงพูดถึงดวงตาสองดวงที่โพลล้อให้เรามาดวงตาสองดวงเนี่ยอย่างที่เราพูดกันว่าสำหรับผู้ศรัทธาเราใช้มันเพื่อทําให้ล้อรักเรามากขึ้นแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ إ ي م านเราตกเมื่อไหร่ก็ตามที่เราพลาดหรือเมื่อไหร่ก็ตามที่เราไม่มี إ ي م านดวงตาของเราจะเป็นเหตุที่ใช้เราต้องใช้คาว่าชักศึกเข้าบ้าน มันจะเป็นเหตุที่นำมาซึ่งความโกรธกิ้วของอัลลอ์มากขึ้นซึ่งหลักๆอย่างที่พวกเราทราบครับหลักๆปัญหาในปัจจุบันนั่นก็คือการทำซีนาผ่านสายตาซีนามีการทำซีนาผ่านสายตานะครับเหมือนกับที่ท่านลลอาั บ, ว, มมบวุล เ, เลนะาะห์ ม, ม, มุสลิม แน่นอนพเพราะอัลลอฮ์ได้กำหนดแนวทางไปทำซิน่าให้กับลูกหลานอาดัมทุกคนหมายถึงลูกหลานอาดัมทุกคนเนี่ยมีโอกาสจะไปทำซีนามีโอกาสจะไปผิดประเวณีซึ่งการผิดประเวณีด้วยกับตาทั้งสองคือการไปมองสิ่งที่เป็นอัรลอฮ์มองสิ่งที่เป็นฮารอมการผิดประเวณีการทำซีนาด้วยกับลิ้นคือการที่พูดเกี่ยวพาลาศี พูดจีบต่างเพศพูดแล้วมีความสุขการทาดีนาของจิตใจก็คือการที่คิดการที่หวังการที่เราคิดว่าเรารักการที่เราคิดว่าเราชอบแล้วอวิวะเพศคือศูนย์รวมที่ทําให้เกิดดีนาในภาคปฏิบัติอย่างแท้จริงอันนี้คืออยู่ในบร่เคยมาบุครีมามุสลามในดิส น, นี้หมายความว่าไงครับจุดเริ่มต้นที่ทาให้คนเราเนี่ยผิดพลาดมากที่สุด เกิดขึ้นจากการมองเห็นซีนตนาบีได้บอกว่าลูกหลานอดัมทุกคนมีโอกาสจะทําซีนาหมดเลยทุกคนมีโอกาสทำซินาทุกคนเลยไม่ว่าจะเหมือนกับมีอีมานไม่ว่าจะเป็นมีความรู้หรืออะไรก็ตามแต่เมื่อเป็นเรื่องของต่างเพศปุ๊บมีโอกาสตายได้หมดเช่นเดียวกับผู้ชายถ้าเราสังเกตดูเพศชายเป็นเพศที่ว่าหลายครั้งที่เราแยกไม่ออกระหว่างความปรารถนาทางเพศกับความรักผู้ชายหลายคนจะมองว่าถ้าฉันรักใครสักคนฉันต้องมีเพศสัมพันธ์กับเขา นั่นคือความรักของฉันแล้วจะเห็นในวัยรุ่นปัจจุบันครับถ้ารักใครปุ๊บผู้ชายก็ต้องลกผู้หญิงไปอยู่ด้วยกันละไปนอนด้วยกันซึ่งผู้หญิงก็เข้าใจว่าผู้ชายรัก ผ, ผู้ชายบอกว่าฉันรักนะพูดกอกหูบ่อยๆผู้หญิงก็เข้าใจว่าเขารักก็เลยยอมเป็นของเขาพอถึงเวลาปุ๊บพอเขาไปรักคนใหม่เขาก็ทิ้งคนเก่าไปมันไม่ใช่ความรักครับมันไม่ใช่ความรักมันเป็นเพียง สัญชาตยานหรือว่าความปรารถนาทางเพศซึ่งเราเข้าใจว่ามันคือความรักฉันรู้สึกกับคนค น, นี้แปลว่าฉันต้องได้คู่กับคนนี้แหละฉันไม่ได้คู่กับคนนี้นี่ฉันคงจะอยู่ไม่ได้ชีวิตฉันคงจะตายจะอะไรก็ตามแต่ถึงเวลามันก็อยู่ได้หมดพี่น้องถ้าไม่ไปฆ่าตัวตายก่อนนะนะถึงเวลาก็เหมือนมีใครตายสักคนถึงเวลาก็ไปอยู่กับคนอื่นได้ก็แต่งงานกับคนอื่นก็รักคนอื่นได้แปลว่าความรู้สึกก่อนแต่งเนี่ย เราใช้คำว่าความรักก็จริงแต่ความจริงมันเป็นเพียงความปาถนามันเป็นความรู้สึกที่หักห้ามยากห้ามใจแหละยากทันบีวสัสลัมแล้วก็พวงรอ ก, ก็เลยเตือนตั้งแต่ขั้นตอนแรกก็คือการมองถ้าป้องกันในเรื่องของการมองได้ดีพยายามลดสายตาเหมือนกับที่พวงรอกล่าวในกุฎานเขาว่ากุลลิมุมีนีนายาัยรุตดูมินอบาซอริหิมวายฟารู ฟูรูแจฮุมแยลิกอัซกะละหุมในสุรานุษย์อายุที่30มสีพ่พุทธกาว่าจงกล่าวแก่ผู้ศรัทธาซิว่าให้ลดสายตาเขาลงซะแล้วก็จงระวังเรื่องของเวลเพศของเขาเพราะสองอย่างนี้ผู้ศรัทธาก็พลาดได้นะบิยูซุปก็เกือบพลาดซึ่งถ้าไม่นับบรรดาอนะบีคนหลายคนครับเรื่องนี้สอบตกมากที่สุดเช่นเดียวกันกับว่าเรื่องเนี่ยเป็นเหตุที่ทําให้คนที่อยู่ในร่มเงาขอรอด้วยเช่นเดียวกันถูกไหมครับถ้าระวังสายตา แล้วระวังตัวเองได้ท่านอบดุลเบี๊ย์มุสลิมบอกว่าอีกคนหนึ่งที่ได้เรื่องเงาขอเลาะคือบุคคลชายที่ว่ามีหญิงที่เพียรพร้อมทั้งร่ำรวยถึงความสวยทั้งทุกสิ่งทุกอย่างมาเชิญชวนให้ตัวเองทำซีนาผิดประเวณีแต่เขาบอกว่าฉันกลัวอัลลอฮ์เพราะนั้นเมื่อเรามาพูดถึงดวงตาเนี่ยครับผมมันเป็นเหตุให้คนพบความหายนะได้พอไปเห็นปุ๊บก็ชอบพอชอบก็คิดว่ารักพอรักก็อยากทําซีนาแล้วยิ่งในปัจจุบันครับ พี่น้องที่รักสักลุลลอเราจะพบว่าคนเราเนี่ยบ้าขั่งในเรื่องการมองมากแล้วก็หลายครั้งที่ผู้หญิงเนี่ยทำตัวให้อันตรายคือเรียกชักสืก่อเข้าบ้านนะครับผมเราลองคิดดูพี่น้องคิดว่าตอนกลางวันกับตอนกลางคืนช่วงไหนอันตรายมากกว่ากันมีเหตุมีสิทธิ์ที่เกิดอันตรายมากกว่ากันกลางวันหรือกลางคืนหลักๆแล้วกลางคืนอันตรายมากกว่า พี่น้องสังเกตไหมว่าวัยรุ่นปัจจุบันหรือว่าผู้หญิงในยุคปัจจุบันผมพูดถึงบางส่วนไม่ใช่ทั้งหมดเวลาจะไปเที่ยวเขามีความสุขที่จะเที่ยวตอนกลางคืนมากกว่ากลางวันอันนี้ความอันตรายที่หนึ่งแล้วนะเขาเลือกอันตรายมากกว่าความปลอดภัยเลือกเที่ยวตอนกลางคืนแล้วเวลาเที่ยวตอนกลางคืนนะครับนารูซุบินแล้วเสื้อผ้าที่ใส่ตอนกลางคืนเนี่ยจะเป็นเสื้อผ้าที่โป้สุดๆโป้ยิ่งกว่าที่แบบว่าตอนกลางวันไม่กล้าใส่ แต่นี่ตอนกลางคืนถือว่าเป็นชุดปลาตีอาจต้องใส่ใส่ชุดโปโปถามว่ามันเป็นช่วงที่อันตรายที่สุดแล้วกับแต่งชุดที่อันตรายที่สุดแล้วไปอยู่ในสถานที่ที่อันตรายที่สุดอย่างผับอย่างบาร์อะไรก็ตามแต่รวมสามความอันตรายตกลงคนเราฉลาดจริงหรือเปล่ามันอาจจะไม่ใช่เรื่องฉลาดไม่ฉลาดแต่มันเป็นเรื่องของความปรารถนาที่ไม่คิดจะควบคุม เขาคิดว่าถ้าเกิดฉันมีใจปุ๊บฉันต้องทําตามันก็นคือผู้ที่ไม่ใช่มุสลิมแต่ผู้ที่เป็นมุสลิมเรารู้ว่าเราถูกสร้างมาให้ต้องฝืนอารมณ์ไม่ใช่ทุกอารมณ์ที่เรามีมันเป็นสิ่งที่ดีไม่ใช่ทุกอารมณ์ที่เกิดขึ้นมันเป็นสิ่งที่ถูกต้องมุสลิมมาต้องมีการสะกีนทุกอารมณ์ที่เกิดขึ้นเพราะนั้นในเรื่องของดวงตาครับผมท่านอบีวยงมัสลัมเตือนไว้นะว่าการมองเนี่ยมันเป็นเหมือนกับปลายธนูของอิบลิส การมองเป็นเหมือนปลายธนูของอบิสบลิสมันจะโยนให้เราไปมองแต่สิ่งที่ฮารอมสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่จะสร้างความแตกแยกสิ่งที่จะทำให้เราตกต่ำสิ่งที่จะทำให้เราแย่ลงท่านรบีมัสเซนบอกว่าใครที่ระวังเรื่องของการมองละทิ้งการมองสิ่งที่ฮารอมเพราะกลัวอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะตอบแทนเขาแล้วให้เขาได้พบความหอมหวานของการศรัทธาให้เขาได้พบความหอมหวานของการศรัทธาครับ พี่น้องที่รักับเวลาก็ล่วงเลยมาถึงตอนนี้แล้วนะครับก็อยากจะขอฝากอายักุหลานใสระอิสรให้กับพี่น้องที่รักทุกท่านนะครับผมเพราะเราก่านะครับว่าอินทรซ้ำวอลบัสรวาลฟุอาระคุลุอเลกาการันหูมัสูและแน่นอนการได้ยินการมองเห็นแล้วก็หัวใจทั้งหมดนั้นล้วนต้องถูกสอบถามเพราะนั้นก็ระวังให้ดีนะครับ มองอะไรดูอะไรคิดอะไรทําอะไรพูดอะไรฟังอะไรมุสลิมเราต้องระวังทุกกระเบียดนิ้วเราต้องพยายามทําตัวให้ดีที่สุดต้องมีสติให้มากที่สุดเพื่อให้พ่อเลอร์รักเรามากที่สุดครับผมตอนนี้ก็ใช้เวลาช่วงท้ายนี้นะครับก็ขอมาทักทายกับพี่น้องนะครับเผื่อผมไม่ทันได้ทักทายใครคุณวัชรินมาแล้วนะครับผมก็อาจคำเดียวแล้วสละลุ่มกวาดลุมเสลาอัลลอฮฺวะบาริกาตุ้ไม่ริมชัดเจนเหมือนเดิมนะครับผมก็คนคุ้นเคยกันรู้จักกันมาตั้งแต่ เด็กๆกันนะครับผมคุณสุริยาครับโพสุนน่ะป่ะถ้าผมออกชื่อออกเสียงผิดขอมภัด้วยนะครับผมก็สลามมาก็วันกุนซารามรตุลลอห์อับบรารักกาตัวะละคำนี่แล้วก็จากหนองจอกกรุงเทพครับก็ขอขอบคุณพี่น้องที่รักทุกท่านนะครับเหนือไปกว่านั้นก็คือขอขอบคุณพ่ออลอสุมารตลาที่ให้พวกเรานั้นมีโอกาสขอบคุณทุกคนที่เกี่ยวข้องทั้งในเรื่องของสมาคมอิสลามเชียงใหม่พี่น้องทุกท่านที่ว่ามา ร่วมทำการพูดคุยกันมาแลกเปลี่ยนความรู้กันแล้วก็มาทักทายมาอะไรกันก็ขอล้องตอบแทนพวกเราทุกคนด้วยความดีแล้วก็ขอพระอ้อนนั้นให้ความโปรดปานทั้งหมดที่พงให้กับพวกเรานั้นเป็นความโปรดปานที่ว่าทำให้พวกเรารนั้นรู้คุณต่อพระอ้อนมากยิ่งขึ้นอยา่าล้อนต่อให้สิ่งที่พงให้เร า, ใ ห, าให้มากับเรานั้นมันจะมากมายเกินกว่าที่เราจะรับรู้ได้แต่เราก็ขอขอบคุณพระองค์ในทุกๆสิ่งที่พง ให้กับเรามาแล้วแล้วก็ในทุกสิ่งทุกอย่างที่พงษ์นั้นกําลังเตรียมไว้ให้กับเราจากสิ่งที่ดีงามต่างๆก็ขอด้วยจากพลอ้นนั้นให้เราลอดพ้นจากการที่เราจะต้องตกต่ําหรือเราจะต้องกลายบุคคลที่ถูกโกงกิ้วเพราะการใช้ตามองสิ่งที่ผิดพลาดของเราขอด้วยจากพลอ้นนั้นให้รักษาดวงตาทั้งสองข้างของเราให้มันมีความสามารถให้มันมีกําลังวังใช้มันมีความเข้มแข็งแล้วก็ ให้เราน้นสามารถใช้ดวงตาของเราในการทำบิบาลาต่ออัลลอ์ขอให้เราเป็นหนึ่งในกลุ่มบุคคลที่รู้คุณต่อพูอัลลอ์ขอเราเป็นหนึ่งในกลุ่มบุคคลที่ว่าขอไปท่วต่อพู้อัลลอ์เป็นประจำแล้วก็ขอให้พูอัลลอ์นั้นรักเราแล้วก็รักผู้ที่เขารักเราด้วยเถิดนะครับอาเมนครับผมสาหรับวันนี้ก็อัลวา น, นะครับผมสุบานุกะหลอบห์บิฮามดิกะอัลชาดุลลาอิลาฮิลอัตะอัสซัคุริกะวาตูบิไลอัสสลามุอะลัยกุมวารฮัมดุลลอห์วบรากาตุครับพบ